แนะนำบทกุเรชบทกุเรชนี้เป็นบทมักกียะมี 4 องค์การกล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่มีต่อชาวกุเรชมักกะฮ์โดยที่พวกเขามีการเดินทาง 2 ครั้งต่อ 1 ปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชามเพื่อทําธุรกิจการค้าอัลเลาะห์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรช ด้วยความปลอดปรานอันยิ่งใหญ่ 2 ประการคือความปลอดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความปลอดปรานแห่งความมั่งมีและความสดุกสบายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอลีอีลาฟิกุเรชเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรชอีลาฟิฮิมริห์ละตัชชิตาอ์วัสไซ เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและฤดูร้อนไปชาตัลยาอบูดูร็อบบะฮาซัลบัยตดังนั้นพวกเขาจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกะบะอัลลซีอฏอมะฮุมมินจูอ์วาอามะฮุมมินคอ <yy> <lab> <región> <Trail turbul pixel>